สอนนอกเรื่องพระท่านว่าภาวนาอย่างนั้นดีภาวนาอย่างนี้ดีอย่าไปเชื่อพระองค์ไหนพูดอย่างนี้คือคนภาวนาไม่เป็นมีแต่เที่ยวห า, หาหลอกลวงชาวบ้านบางทีตั้งสำนักปฏิบัติขึ้นแทนที่จะมาประกาศว่าที่วัดชั้นมีผู้ภาวนาแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองดีแทนที่จะโฆษณากันอย่างนั้นโนนติดป้ายประกาศมาตั้งแต่เมือง8ริ้วจนกระทั่งถึงเมืองโคราช่าำผีสิงเอยเต่าล้านปีเอยมกะลีผลเอยมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเก่งพระก็เอาวิทยาศาสตร์นั่นแหละมาหลอกคนสร้างรูปเต่าขึ้นมา อา้าวเต่าหลับตาถ้าใครทำบุญแล้วเต่าลืมตาไปกดสวิตช์ไฟฟ้ามันก็ลืมตาขึ้นมาไม่เห็นหรือนในปั๊มน้ำมันหุ่นมันถือธงมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่คนก็โน้มว่าอยู่นั่นวิทยาศาสตร์สมัยนี้มันหยอกใครเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งหลอกลวงการปฏิบัติธรรมคือการฝึกตัวเองให้เป็นคนดีสร้างพลังจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเอง ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดนี่คือหลักที่ถูกต้องใครมาบอกว่าหลวงพ่อนั่งทางในดูปู่ญาตายายให้หน่อยไปสุขไปทุกข์อย่างไรไม่เกิดที่ไหนหลวงพ่อจะตอบอุ้ยคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกนี่คือหลวงพ่อพุทธบางองค์พอไปถึงก็เออดวงเป็นอย่างนั้นดวงเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ย ความเป็นไปของเรามันตรงกัน 90% พูดเดาไปมันก็ถูกบ้างผิดบ้าง